ไม่ต้องไปบีบบังคับอะไรนั่งเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนกับเรานั่งอยู่ที่อื่นนั่งสะดวกสบายอย่างนั้นนะการนั่งมันก็นั่งัสมาดราบก็ได้ไม่เอาขาซ้อนกันไม่เอาขาทับกัน เรียกว่าขัดสมาดลากขัดสมาดเรียบอันที่สองเอาขาซ้อนกันก็เรียกว่าขัดสมาดซ้อนสมาธิซ้อนก็เรียกอันที่สามก็นั่งขัดสมาดเพชรอันนี้แล้มันดีขัดสมาดเพชรอเอาขาขวาทับขาซ้าย ก่อนที่แรกนะลองทําดูก็ได้แล้วก็เอาขาซ้ายดึงขึ้นมาทับขาขวาเรียกว่าขัดสมาธิสองชั้นหรือขัดสมาธิเพชรเป็นท่าขัดสมาธิขัดสมาธิตอนพระพุทธองค์นั่งคืนตัดสลูนั่นแหะนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิเพชร อ, อยากทำดูยากแต่ทำใหม่ๆนี่ะเวลามันทำได้ที่แล้วขัดสมาดเพชนี่โอ้ยสบายน ะ, ะตาตุ่มไม่เสียดสีกับพื้นอย่างอื่นตาตุ่มของเรามันถูกรกระพื้นอยู่เสียดสีกับพื้นอยู่ กัดสมาธเพชรเนี่ยมันไม่เสียสีกับพื้นทำให้ไม่ปวดแข้งปวดขาเร็วนะฐานกว้างตึงเส้นเวลาหยุดทำสมาธิแล้วเส้นมันจะสบายไม่ต้องให้ใครมานวดยากอันนี้วิธีนี้ดีถ้าทำได้ชำนาญแล้วนะ สำนานแล้วข้องแก้วแล้วขัดสมาธิอย่างอื่นไม่อยากทำเลยทีนี้นะเมื่อรู้จักวิธีขัดสมาธิขัดสมาธิแล้ววิธีนั่งแล้วขัดมาแล้วก็เอาอมือขวาทับมือซ้ายนะน้อมเอาพุทธโทธธรมโสังโฆมาไว้ที่ใจเย้าของ ใจของเราก็จะได้ประเสริฐเลื่อนเลอขึ้นม า, น า, นาเมื่อได้วิธีขสมาถแล้วก็ให้เอาคำบริกรรมคำภาวนาเนีนะ่เอาลมหายใจเป็นคำบริกรรมคำภาวน า, นาให้เห็นลมเข้าลมออกชัดเจน ลมเข้ากอบริกรรมว่าเขา้าบริกรรมคือว่าแปว่าว่าซ้ำๆกันเวลาออกก็ออกเวลาเห็นลมเข้าก็ว่าเข้าเวลาเห็นลมออกก็ว่าออกที่นี้ก็เอาสติไปฐานตั้งไว้ที่ฐานใดฐานหนึ่งนะ สติคือพู้และลึกได้พู้และลึกรู้พู้และลึกรู้ฐานสมาธิเราก็เลือกเอาพระพุทธองค์กำหนดเอาไว้ทั้งหมดเกบฐานถ้าภาวนาแบบอนาปานนสตินะเป็นการภาวนาแบบของพระพุทธองค์อนาปานนสติอนาปานก็แปลว่าลมหายใจ สติก็คือผู้ระลึกรู้มีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าอนาปานาสติลมหายใจมันจะเริ่มเข้าที่ปลายจมูกนี่แหละจุดที่หนึ่งคือปลายจมูกเลือกฐานที่ตั้งของสมาธิก่อน เพื่อจะเอาสติไปตังจับเอาจิตที่ตรงนั้นฐานที่หนึ่งมันจะเข้าไปเริ่มต้นที่ปลายจมกูกปลายจมูกคือที่ลมสุดนะที่ลมสุดลมเข้าไปที่แรกที่ปลายจมกูกต่อไปก็จะขึ้นไปที่หน้าผากสุดที่สอง จุดที่สามก็ที่กระหมอ่อมจุดที่สี่ที่ลำคอลงมาลำคอลมจุดที่ห้าที่ลิ้นปีมาผ่านลิ้นปีจุดที่หกก็ที่ท้องท้องจะพองขึ้นให้เห็นจุดที่หกเก็ดก็คือสะดือมันจะไปสุดที่สะดือในลมหายใจของเราเรียกว่าอัดสะสะเข้าไป ทีนี้ก็ออกมาก็เรียกว่าปัดสะสะก็ออกจากสะดือมาจุดที่เล็บมารู้ว่ายุบลงที่ท้องผ่านมาที่หน้า อ, อกยีก ป, ปีต่อไปก็ไปที่ลำคอที่กลางกระมอมหน้าผา แล้วก็ออกมาสุดที่ปลายจมูกให้เราท่านทั้งหลายหายใจเข้าหายใจออกเข้ายาวออกยาวดูทําดูเดี๋ยวนี้แหละเลือกเอาเดี๋ยวนี้แหละผู้ยังไม่เลือกผู้เลือกได้ก็ทําไปเรืเลยผู้ทําชํานาญแล้วก็ทําไปเรื่อยๆ เห็นลมเข้ายาวออกยาวแล้วก็มาเอาสั้นเข้าสั้นออกสั้นดูเข้ายาวแล้วออกสั้นดูเข้าสั้นแล้วออกยาวสลับกันดูเอาเข้านักหนักแรงแรงดูแล้วก็เอาเบาเบาดูเห็นชัด ที่ตรงไหนเจิดที่เนี่ยให้เลือกเอาที่ใดที่หนึ่งเป็นฐานที่ตั้งของจิตที่ตั้งของสมาธินะให้เลือกเอาฐานเดียวที่เราถนัดที่สุดที่เห็นชัดที่สุดฐานเดียวนะที่ชัดที่สุด ถ้าเลือกได้แล้วก็ลงมือเอาสติมาตั้งไว้ที่จุดเดียวไม่ต้องเปลี่ยนนะจุดเดียวที่เราเลือกเอานะมันชัดที่ไหนมันแรงที่ไหนให้เอาสติมาตั้งไว้ตรงนั้นนะคนมาใหม่ต้องเข้าใจวิธีทำเมื่อเลือกได้แล้วก็เอาสติไปตั้งไว้ที่เราเลือกกัน่ะ เอาที่นั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิเมื่อจิตสงบมันก็จะสงบอยู่ตรงนั้นแหล ะ, ะจิตว่างมันก็ว่างอยู่ตรงนั้นแหละเราให้ทําเมื่อเลือกได้แล้วก็ลงมือทําแล้วเวลาลมเข้าจะว่าพุทธก็ได้บริกรรมว่าพุทธ ลมออกบริกรรมว่าโทนะหรือลมเข้าบริกรรมว่าเกิดเกิดก็ได้ลมออกก็บริกรรมว่าตายมีแต่เกิดกับตายลมเข้าก็เกิดลมออกก็ตายว่าอย่างนี้ก็ได้คืออะไรเกิดอะไรตาย ก็ขันหนะ้านั่นแหละเกิดตายขันห้าก็คือเรานะั่นแหละเกิดเรานั่นแหละตายลมหายใจก็คือกายกายละเอียดกายละเอียดดินน้ำลมเนี่ยลมเนี่ยคือกายส่วนหนึ่งนะส่วนตัวจิตก็คือญาติตัวญาตนั่นแหละคือตัวจิตตัวผู้รู้นะั่นญาตคือตัวรู้นะะั่นแหะคือตัวจิต จิตคือผู้รู้นั่แหละสิ่งสถิตยอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจคือกายของเราคือรูปนะส่วนตัวจิตก็คือใจคือนามรูป ก, กับนามมันอาศัยอยู่ด้วยกันนะี่แหละรูปกับนามคือลมกับใจอาศัยอยู่ด้วยกันเวลา ลมลมหายใจนี่แหละเขาเรียกว่าเราเราเนี่แหละตัวผู้รู้ก็อยู่ในลมหายใจนั่นแหละให้สังเกตดูผู้รู้แล้วนะอยู่ที่ลมหายใจน่ะผู้รู้จิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจเวลาลมเขา้าจิตก็วิ่งเข้าไปใน กายเราพร้อมกับลมหายใจก็เรียกว่าเรานะั่นแหละนั่นแหละคือใจเนะั่นแหละคือเราตัวใจเร า, าจริงๆนะเราเนะี่คือใจมาสมมติว่าใจเดียวเนี่ยนนะเวลาลมออกมันลมเข้าก็เรียกว่าเกิดเราก็เกิดเราวิ่งเข้าไปในกายเราก็เกิด เวลาลมออกอลมฮะตัวญาตกับตัวตัวจิตกับตัวลมนี่มันจะมาพ้นออกจากปลายจมูกแว็บเดียวชั่วงขนาดเดียวชั่วขณะดหนึ่งตัวญาตกับตัวคันนี้ตัวตัววิญญาณ น, นี่มันจะทิ้งเอา ร่างกายของเราไว้ชั่วขณะหนึ่งลงขาดจากลมลขาดจากปลายจากหมวไปชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าเราทิ่งถาดขันเอาไว้ซากศพเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่ามันตาย น, นตายชั่วขณะหนึ่ง เรียกว่าคานิกะมอละนังมอละแาเปรตว่าตายมอละนังแปลว่าตายคณนิกะแปลว่าคานึงคณนะเดียวตายชั่วคณะเดียวแล้วก็เกิดคืนมาอีกวิ่งเข้าไปก็เกิดอีกเราจึงนั่งอยู่ได้ถ้าลมไม่เข้าใจเข้าไปเราก็นั่งอยู่ไม่ได้แลลว ให้เข้าใจอย่างเกิดได้ในอธิบายเรื่องเกิดเรื่องตายหรอกให้ฟังนะย่งว่ากเกิดว่าตายก็ได้ภาวนาเข้าภาวนาบริกรรมว่าเกิดออกบริกรรมว่าตายอย่างนี้ก็ได้ให้เราเห็นความเกิดความตายอยู่ทุกลมหายใจนะ เห็นว่าเราเกิดเราตายอยู่ทุกลมหายใจเรียกว่าตายชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าขานิ่กะมรณะตายแบบนี้ท่านเรียกว่าตายแบบปกปิดปกปิดเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้ไม่ใช่ตายแบบเปิดเผยนะถ้าตายแบบเปิดเผยก็คือลมไม่เข้าไปนี่ลมไม่ออกมานเะนี่ย เราก็จะตายจริงๆตายแบบเปิดเผยอัปติชนะตายแบบปกปิดก็เรียกว่าปฏิชนะตายแบบเปิดเผยก็เรียกว่าอัปติชนะคนตายไม่มีลมหายใจถ้าลมหายใจไม่มีก็เรียกว่าเราตายเท่านั้นชีวิตของเราก็มีเราตั้งใจดูลมเข้าออก เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้วองจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเอาสติมาแล้วเลืกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเอาลมหายใจเป็นเป้าหมายเอาจิตมารู้อยู่ที่ลมเอาสติมาแล้วเลืกรู้อยู่ที่ลม เอาสติคุมจิตมาให้รู้อยู่ที่ลมหายใจ น, นะตัวสติก็เปรียบเสมือนเชือกตัวจิตตัวใจของเราก็เปรียบเสมือนลิงยกตัวอย่างให้ฟังดอกผูเชือกผูกข้อลิง ไม่ใครไปเที่ยวที่ไหนกิจของเรามันไปเที่ยวออกไปแป๊บเดียวก <c oughs> ็กลับมาออกไป <c oughs> อารมณ์ภายนอกอารมณ์นั่นแหละคือพ่อคือแม่ของมันผูกเอาไว้ เหมือนเราผูกลิงไว้ที่หลักนั่นนะเอารมหายใจน่ น, นะเป็นหลักผูกกิดให้ติดอยู่กับลมหายใจสมาธิคุมกิตให้มาเสพอยู่กับลมหายใจลมหายใจนี่แหละท่านเรียกว่าธรรม <c oughs> ธรรมะบทได้บทหนึ่ง พุโทโธเรียกว่าลมหายใจนี่แหละคือธรรมเอาจิตไปเสพกับธรรมคือลมหายใจธรรมะนี้มันเป็นของเย็นกิเลสมันเป็นของร้อนความคิดคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ทำเป็นค้องเย็นเปียบเสมือนานา้ำเมื่อจิดมาเสพกับทำก็เสพกับค้องเย็นเอาไปเอามาจิตของเราก็เยือกเย็นลงเป็นสมาธิขึ้นมาเท่านั้นเมื่อมันจะเยือกเย็นลงเป็นสมาธิก็ลมหายใจของเราก็เริ่มเบาแล้วไง เบาลงเบาลงละเอียดลงละเอียดลงเียกว่ากายกายลบนะกายแ ล, นะละหูนะพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ท่านก็เป็นเหมือนกันท่านยังมามตัดสัง่งสอนเราเอาไว้ว่ากายและหนะูกายไม้ถึงลมหายใจนะกายลม ละหูคือเบาลงจิตของเราก็ละหูลงเบาลงเอาไปเอามาก็เบาลงเบาลงแล้วยดลงแล้วย่นลงก็เรียกว่ากายแล้วครับ <c oughs> กายแล้วครับแล้วครับดับลงจิตก็ละครับความรู้สึกนึกคิด ความคิดผงแดงก็ระงับดับลงลมรละงับดับลงก็เหลือตั้งแต่ตัวญาตตัวญาตตัวรู้นี่แหละตัวผู้รู้นี่แหละตัวญาตตัวผู้รู้นี่เราก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาจิตของเราก็เยือกเย็นเป็นสมาธินี่แหละเอาไว้ที่จุดเดียวนะจุดเดียว เลือกได้แล้วก็เอาจุดเดียวอย่าไปตกใจบางคนนั่งไปนั่งมาลมเบาลงละเอยียดลงละเอียดลงเบาลมลมลมหายใจหายก็เกิดกลัวโยคองจะตายก็ดึงหาลยลมขึ้นมาอีก เมื่อลมหยาบขึ้นกิตก็หยาบเหมือนกันเมื่อลมละเอียดลงกิตก็ละเอียดลงเหมือนกันกิตก็ถอดออกจากสมาธิขึ้นมาถ้ามันหายแล้วก็รู้อยู่เฉยๆนะรู้ว่ามันหายไม่ต้องไปตกใจไปปูมแต่งไปพ้ปนหาเอารมขึ้นมาอกีก มันไม่ตายดอกตัวผู้รู้ยังอยู่มันละเอียดลงมุละเอียดลงเบาลงเบาลงมันระงับดับลงบางคนตอนนี่แหละตอนลมหายใจระงับดับลงจิตจัดวืบลงนี่แหละตอนคนกลัวเหมือนกับตกลุกมตกบ่อตกเหว มื้ลงใจเหมือนจับใจอาการมันมื้งลง <c oughs> คนก็เลยตื่นนะก็เลยนึกคิดปุงแต่งคิดว่าเราอะไรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตก็เคยเลยหยาบลงไปอีกหยาบขึ้นมาอีกถ้าเห็นอย่างนี้ให้รู้อยู่เฉยๆนะ <c oughs> ให้รู้อยู่เฉยๆ <c oughs> ไม่ดีใจเสียใจไม่ตกใจเพียงแต่กำหนดสติรู้อยู่เฉยเมื่อมันลงไปถึงที่สุดแล้วจิตก็จะว่างตอนนี้แหละว่างสว่างสวัยขึ้นเลยถ้าอดได้ <c oughs> ส่วนมาก เห็นวืบลงกลัวใจอย่าขาดกัวจะล้องอย่าตายก็ไม่มีใครเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ก็ปรุงไปใหญ่แะ้วทีนี้ถอนขึ้นมาลมหายใจก็เลยหยาบขึ้นกิตก็หยาบด้วยลมอิดลมละเอียดกิดก็ละเอียดเนี่ยนี่เนี่ย น, นี่ตอนมันจะหัวเลี้ยวหัวต่อนะเนี่ยตอนจะเข้าเป็นพุโทโธกิจจะเป็นพุโทโธ มันเป็นอย่างนี้บางคนบางคนก็หมุนตัวหมุนลิวล้วเรี่วร่ยวเรี ว, ว, วเวเเราก็ดูอยู่นั่นแหละหมุนไปก็ช่างมันพอสุดแรงเวียงขอมันก็หยุดตึก๊กจิตก็ว่างสว่างสวัยขึ้นเหมือนกันนะบางคนก็ไม่เป็น ลมเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงาลมร ง, งับดับลงเวทนาก็ดับลมหายใจดับทำบริกรรมดับไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเกิดขึ้นมาแทนกับความรู้รู้รู้รู้อยู่กับว่างเกิดขึ้นมาแทน ให้สติตั้งไว้ที่ฐานนั่นแหละรู้อยู่ที่นั่นแหละเอาสติไปจับเอาผู้รู้นี่แหละนี่แหละคือกิดแท้ใจเดิมของเราคือผู้รู้นี่แหละผู้รู้นี่แหละเรียกว่าพุโทโธก็แสดงว่าเราได้พุโทโธแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราเห็นพุโทโธแล้ว เห็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นทั้งที่ว่าคนไม่มีลมหายใจมันต่อตายอันนี้ไม่มีลมหายใจลมหายกายไม่มีกายหยาบก็ไม่มีนะกายละเอียดคือกายลมก็ไม่มีเรียกว่าลมหายกายไม่มีมีแต่ความรู้รูปรากฏขึ้น ท่านก็นเรียกว่าเอกัตคตาลมอุเบกขาเฉยอยู่รู้เฉยอยู่มีสองอารมณ์คืออุเบกขากับเอกัตคตาลมเอาสติไปรู้อยู่ตรงนี้และประคับประคองจิตอยู่ตรงนี้มันจะว่างไปนานๆนนะั บางคนก็สามสิบนาทีห้าสิบนาทีชั่วโมงบางคนก็ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงนะมันว่างอย่างเงี้ะเมื่อเวลามันอิ่มตัวมันก็ค่อยถอยออกเองของมันดอกไม่ต้องไปพามันออกให้มันลงเต็มที่จะก่อน เหมือนกับเรากินข้าวกินน <c oughs> <ๆ>้ํานี่แหละถ้ามันอิ่มแล้วมันจะออกเองหรอกเหมือนกับเรานอนหลับนี่แหละถ้านอนอิ่มเต็มที่แล้วมันก็ตื่นขึ้นมาเองสมาธิก็เหมือนกันไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปถอยมันออกมากําหนดรู้อยู่เฉยๆนั่ น, เ, นเราก็จะเห็น พุโทโธนี่ะผู้รู้นี่แหละคือพุโทโธนะพุโทโธนี่แหละคือผู้รู้เราจะเห็นผู้รู้เกิดขึ้นมาอ่า ผู้รู้นี่แหละคือคือพุโทโธพุธโทโธนี่แหละคือผู้รู้ผู้รู้นี่แหละคือพุโทโธพุท ธ, ธะวางเป็นธรรมชาติครอบจักรวาลอยู่เราก็เรียกว่าธรรมะหรือเรียกว่าธรมโมผู้รู้ว่าพุโทโธธรรมโมก็คือใจใจก็คือเราเราก็คือสังโฆ อันแล้วพุทธโธธโมสังโฆ <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดเอาไว้เป็นพุทธโธของใครของเรานะไม่ได้พุทธโธไม่ได้อยู่ที่ประเทศอินเดียด็อกนั่งสมาธิเอาก็เห็นพุทธโธเห็นหมดทุกคนทุกทันทุกองค์นั่นแหละถ้าตั้งใจถ้ามีความเพียร ความเพียนถึงทำถูกวิธีระ้วังบางครั้งบางทีจิต <c oughs> มันสงบนิดนิดหน่อยหน่อยสงบแล้วก็ถอยขึ้นมาอกีกแล้วก็สงบลงไปอกีกตอนนี้จิตยังท่องเที่ยวจิตยังลงไม่ถึงฐานลึกฐานใหญ่ ถ้ามันสงบแล้วก็ถอนขึ้นแล้วก็สงบอีกก็ให้สังเกตดูอยู่อย่างนั้นหรือไม่ก็บริกรรมลมหายใจเข้าออกต่อไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่าเพึ่งวางนะบางคนพอมันสงบลงไปเวืรบลงไปถึงฐานอั ป, ปนาแล้วมันจะถอยขึ้นมานะ ถอยขึ้นมาอีกสลับกันอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็สงบอยู่งั้นนะเรียกว่าสมาธิอย่างนี้เรียกว่าอุปจละสมาธิจละแปลว่าจรแปลว่าจรแปลว่าไปจรก็คือไปจิตยังท่องเที่ยวได้อยู่ จิตยังไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ได้อยู่ช่วงนี้แล้วจิตมันจะไปเที่ยวเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ขึ้นมาอุปจระนี้อานาจของอุปจระสมาธิก็ผาดพลโจระยานเหมือนกันนะบางคนก็ไปเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ปรากฏอันนั้นอันนี้ขึ้นมาบางทีก็เลีวล้วเลี เบาเหมือนจะห่อได้นะบางทีตอนนี้แล้วมันจะสร้างภาพนิมิตขึ้นมาจิตมันจะสร้างภาพนิมิตขึ้นมาหลอกเจ้าของอ่านิมิตเนี่ยแหละคือจิตกาหนดขึ้นจิตสร้างขึ้นเพื่อหลอกตอนเองเวลามันจะลงไปถึงฐานใหญ่อั ป, ปนาสมาธิ มันจะไปเห็นอารมณ์พะนิพาณกิดกาหาอะไรมากัน้นกางเอาไว้ไม่ให้จิต ด, ดิ่งลงไปถึงฐานใหญ่ได้มันจะหาพวกนี้เรียกว่ามานมายามายาแต่ว่าเสแส้งแกล้งทรมันจะเสแส้งแกล้งทม เป็นภาพเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสขึ้นมาหลอกตัวเองคนภาวนาเป็นใหม่ๆก็เลยนึกว่าเจ้าของได้ทมเห็นทมก็ไปอุปทานเอาไปยึดเอาไปถือเอาคว้าเอามาบัมาบมนะัฟเนว่าเจ้าของได้ทมเห็นทา อ, อันนี้ มันจะเกิดขยายตัวที่แรกมันก็เป็นอุขขางานิมิตต่อไปก็เป็นปฏิภาคนิมิตเปลี่ยนไปร้อยคนพันคนก็ได้ย่อลงมาเป็นคนเดียวก็ได้เปลี่ยนเป็นภาพเล็กภาพใหญ่เปลี่ยนเป็นแสงเป็นสีเป็นนรกเป็นสวรรค์ได้อันเนี้ยอ่า ร้องให้นั่นแหละไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นเคยมีไหวเงั้ย น, นะกิจหลอบเจ้าของผีหลอบเจ้าของอืเนึกว่าของจริงก็ร้องให้บางคนคอยให้สะอิดสะเอียนไปเห็นคนตายไปเห็นสัตว์นโลกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนิพพานไปเห็นสารพันห้องสารพัดมันจะ พาเราไป อ, อันนี้เห็นสัตย์แต่ว่าเห็นนะไม่ให้ไปยึดไปถือเอาดูได้แต่ไม่ให้เอาไม่ให้ยึดไม่ให้ถื อ, อ ม, มันก็มีทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละนิมิตเนะอ่ย ผลสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้ก็เอากดใจรักตัวอยกดใจรักบ่ใจรักญาติน่ะนะลักษณะสามคืออนิจจังทุกขังอนาตาัตตาใตเรียว่าสามลักษณะสามเรียกว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตานิมิตนั่นนะเอามวลของพระพุทธเจ้าขับไล่ออกอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาขับไล่ออกนิมิตก็จะดับลงนะดับลงก็จะเหลือตั้งแต่ความว่างว่างที่สุดนี่แหละคือพุทโธ ว่างที่สุดนี่แหละคือธรรมโมว่างที่สุดนี่แหละคือสังโคแล้วก็จะเห็นจิตเดิมแท้ของเรานะมันกิเลสมันดับลงว่างจากความรู้สึกนึกคิดว่างจากอารมณ์ในสามการกจิตก็จะเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติคือพุทโธธรรมโอขึ้นมานะ ถ้าผ่านตัวนี้ไปได้ถ้าไปสงสัยอยู่มันก็ไม่เกิดแล้วทีนี้แล้วก็ได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นจิตไม่ลงถึงฐานอปนาฌานอปนาสมาธิให้จิตไม่ได้คอยพักไม่ได้พักไม่ค่อยได้พักมันก็เที่ยวไปเห็นอันนี้ไปดูอันนั้นเรียกว่าจาระแปีว่าจร ถ้ามันเกิดขึ้นทําจิตให้นิ่งว่างไม่ยินดียินายจิตก็จะดิ่งลงไปถึงอปปนาอปปนาฌานอปปนาสมาธิมีอารมณ์สองคือเอวเบคหากับเอกัตคาลมนี่แหละเราจะเห็นพุทโธ ว่างที่สุดนี่แหละคือพุทโธว่างที่สุดนี่แหละคือธรรมโมเราจะเห็นตัวเราจิตเดิมแท้นั่นแนะ่ะคือตัวเราบางทีท่านก็เรียกว่าธรรมกาย กายอย่าของเห้นตัวอย่าวองเป็นธรรมชาติธรรมกาย ธรรมะตัวนั้นแหละเรียกว่าธรรมโมเห็นพุโทโธธรทมโมสังโฆเห็นพุทธธรรมสง์ภายในนะคือเห็นใจของเรานั่นแหละเป็นพุโทโธธรทมโมสังโฆนะเราก็เอาสติเราไปจับเอาพุโทโธธรทมโมสังโฆนั่นแหละช่วงนั้น มันลงถึงที่สุดแล้วกิจจะนึกคิดปรุงแต่งอะไรไม่ได้นะมีแต่รู้อยู่กับอุเบกขาเท่านั้นมีสองอารมณ์คืออุเบกขากับเอกัขตารลมคือรู้ๆูู้่อยู่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิสังขารตัววิสังขาร สังขารคือไม่มีสังขารไปปรุงแต่งกิจได้กิจออกจากขันห้าขาดสีข่ขันห้ามาเป็นเอกมาเป็นเอ ก, กเทศของเขาเป็นหนึ่งเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราเห็นแล้วเห็นพุโทโธธโมสังโฆแล้วอย่างนั้น ก็เอาสติไปจับเอาอะนั่นแหละไปรลูกอยู่และลึกลู้อยู่ที่นั่นแหละ <c oughs> มันมันไม่เหมือนอุปจาระนะอุปจาระมันนึกคิดปรุงแต่งได้วิธีสังเกตก็สังเกตว่าเป็นอุปจาระนี่มันก็ยังนึกได้คิดได้อยู่สงบบ้างไม่สงบบ้างเรียกว่าอุปยาระสมาธิ เรียกว่าสมาธิเขียดเขียดเขียดเขียดอารมณ์วิญญานหรือเขียดเขียดอัปปนาชานอัปปนาสมาธิเรียกว่าอุปจร ะ, ะถ้าลมหายกายไม่มีก็เรียกว่าอัปปนามีเครื่องวัดรู้ว่าอัปปนาชานอัปปนาสมาธินี่คื อ, อยังไง คือลมหายใจไม่มีลมหายกายไม่มีมีแต่ความรู้ลู้อยู่เป็นธรรมชาติจิตช่วงนี้จะพ่องไสวงสว่างไสวเป็นธรรมชาตินะครอบจักรวาลอยู่นะมองไปไหนสุดลูกหูลูกตาแปลกประหลาดมหสศิจันเย็นนตั้งมัด เย็นอยู่ตั้งอยู่ทีติกิตนะกิตเดิมแท้ของเราทีติกแปลว่าตั้งอยู่ตั้งต้งอยู่ตั้งมั่นอยู่นั่นแหละอาการอย่างนี้จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นมองไปไหนก็ราบเรียบเหมือนหน้ากองใจท่านว่าหน้ากองใจต้นไม้ภูเขาเรากาศษาวาสิง ที่อยู่รอบตัวเราไม่มีเลยลาาเป็นอันเดียวกันหมดเหมือนหน้ากองไช่กายของเราก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีไม่รู้ว่าหันหน้าไปทางไหนทางขวาทางซ้ายไม่มีหน้าหลังไม่มีมีแต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่เอโกธมโออยู่อย่างนั้น นี่นี่มองไปไหนก็สว่างผ่องใสอยู่งั้นไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาต้นไม้พูเขาโลกาไม่มีสัตว์สาวาสิงไม่มีลาบเรียบเป็นอันเดียวกันหมดเรียกว่าเอโกโอธรรมวิเป็นธรรมชาติอยู่หนึ่งเดียว เมื่อกิดผูด้ใดเข้าถึงพระนิพพานก็เป็นอย่างนี้แล้ว <c oughs> เอ่าเป็นธรรมชาติาอย่างนี้ผู้ที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นอารมณ์พระนิพพานกิดดับขันห้าได้ชั่วขณะจะมาที่ข่มไว้ นะดับขันห้าได้ชั่วขณะที่สมาธิข่มไว้ท่านเรียกว่าวิกขำพระนวิมุตตหลุดพ้นด้วยสมาธิข่มไว้หลุดพ้นจากขันห้า น, ะนั้นวางขันห้าออกดับขันห้าได้ชั่วสมาธิข่มไว้เราก็เห็นพระนิพพานชั่วสมาธิชั่วจิตสงบเนี่แหละ เมื่อกิจถอนออกมาตัวจิตก็จะมาอุปทานเอาขันห้าอีกคือเก่าว่ามีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลคือเก่านะช่วงจิตถอนออกมาใหม่ๆนี่แหลนะที่จิตที่นุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานมันจิตได้พักพักพักขอนนานแล้วนะเราก็ใช้จิต ของเราเนี่ยแหลจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การแช้งานเราจึงเอาจิตของเราไปใช้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์พามันคิดทีนี่เมื่อกี้นี่หยุดคิดทําให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอข้าตายจิตเอข้าตาลมจนะิตเป็นหนึ่ง เมื่อกิดเป็นหนึ่งถอนออกมาแล้วก็พาจึงพามันคิดน ะ, ะคิดก็ไม่คิดไปเรื่องไหนดอกไม่ใช่คิดไปหาบ้านเก่าไม่คิดไปหาลูกหาหลานคิดไปถึงน้าท่วมไม่ได้คิดไปอย่างนั้นน้าท่วมมันก็อยู่เป็นเรื่องของน้าท่วม เราอย่าไปคิดไปแก้ไขมันมันแก้ไม่ได้หรอกเราก็ปล่อยมันทิ้งไปความคิดคือ <c oughs> ไปอย่างนั้นไม่ใช่คิดเพื่อจะฆ่ากิเลสกิเลสคือความโง่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนี่ยเราจะคิดจะฆ่ากิเลสตรงนี้แหละฆ่าความหลงตรงนี้แหละ ฆ่าความโลภความโกรธเนี่ไม่ได้คิดจะไปคิดอย่างอื่นดอกมันคิดจะฆ่าความโง่ความหลงดับความโง่ความหลงเจ้าของมันมาหลงแบรกเอาธาตุเอาขันว่าอุปทานเอาขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรนอกจากนี้ดอกหลงก็หลงแค่อยู่นี่นะ เบื้องต้นก็หลงกายเบื้องปลายก็หลงใจหลงกายกับใจอย่องของกายกับใจคือรูปกับนามคือขั้นห้าหลงขั้นห้าว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเท่านั้นพระพุทธองค์ว่ามิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นมิจฉาคือผิดความเห็นผิด ที่จริงมันไม่มีสัตว์มีบุคคลอยู่ในขันห้ามีตัวมีตนอะไรดอกเพราะพวกงตัดไว้อย่างนั้นแต่เราเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่ามันมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่จึงเป็นมิจฉาทิธฐิความหลง หลงนี่แหละหลงว่าเป็นสัตเป็นคนเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเนี่ยความโง่ความหลงจิตมันโง่มันหลงต้องมาอบรมจิตมาสอนจิตเจ้าของให้มันมีสติปัญญาขึ้นนะก็แค่นี้ไม่มีไม่ไม่มีมากกว่านี้มันหลงขันห้าก็ถอดขันห้าออกมาดูอืม ขันธ์หมันก็รลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย เ, เรียกว่าขัานธ์ห้าส่วนลูกก็คือกายของเราเนี่ยแหละส่วน <c oughs> เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทรงเคาะเขาเรียกว่าใจ <c oughs> เรียกว่านามนามสี รูปหนึ่งนามสี่เนีและเรียยว่าขันห้5นะมันอาศัยกันเกิดกายกับใจอาศัยกันเกิดมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นได้ ย, ยังไงขันห้านั่งอยู่นี่ไม่เห็นมันเกิดสักทีใจมันเกิด เกิดรักเกิดชังเกิดโลภเกิดโกรธเพราะว่ามันหลงมันหลงขันห้าหลงว่ามีแสงมีคนอยู่นั่นแล้วต้องค้นอยู่นี่ไม่ได้ไปดูที่อื่นหรอกอคนที่อื่นไม่เห็นหรอกไม่รู้หรอกต้องมาทอดนี่นะ พระพุทธองค์จึงสอนให้ละสักยัิทิฏฐิมีกิจกิจชาศิลพัฒน์ปรมาตถ้าใครละสักยัิทิฏฐิกิจกิจชาศิลพัฒน์ปรมาตได้บุคคลนั้นก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันนะเนี่ย ไอ้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรอกพระโสดาบันหนึ่งก็มักสีผลสีนี่พันหนึ่งมักขันต้นก็คือโสดามักโสดาผลนี่มักขูดกูต้นอัอุที่สองก็ส ก, กิทธาคามักกิทธาคาไม่ผล ข้ที่สามอนาคาม่มักอ น, นิคาอนาคามีพ้นู้ที่สี่เพอรหัตตะมักอรหัตตะพน้นมักสี่ถ้าจบอรหัตตะพ้นแล้วก็เป็นนิพพานเท่านั้นถึงเข้าถึงเมื่อนิพพานเรียกว่ามักสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งนี่แหละเรามาหลงที่กายก็ถอดกายออกมาดูให้มันรู้ตามความเป็นจริง ในกายนี่มันมีอะไรหล่าอยู่ในกายเนี่ยดินน้ําลงไปมาประชุมกัน <c oughs> เรียกว่ากายเรียกวก่อนสะกดกายก่อนสะกดกายนี่แหละประกอบด้วยดินน้ําลมไฟแล้วก็ถอด ด, ถอดินถอดน้ําดอดลมถอดไฟออกมาดู สัตบุคคลตัวตนอยู่ในดินในน้ำในลมในไฟเนี่ยให้มันเห็นตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เราหลงว่าดินน้าลมไฟเนี่ยแหละเป็นสัตบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยอถอดออกมาดูนี่ยังเรียกว่ามาภาวนาภาวนา มาตลอดวันไม่ไม่เคยถอดวันนี้หลายคนไม่เคยถอดไม่ถอดดูเลยมาเสียเวลาเจ้าของแท้แทน ท, ที่จะไปเอาลูกเอาหลานให้เขาอยู่บ้านให้เขาได้ห้อยู่ห้กิ้มหาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาเจ้าของกลับมานั่งหันใจทิ้งเฉยๆไม่มี ท่านให้ถอดดูอยู่อย่างนี้เรียกว่ามาฝึกหัดปฏิบัติปฏิบัติขันห้ามาปฏิบัติธรรมธรรมทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่ใกล้กับใจนีปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรม ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเลย <c oughs> ไม่ค้นไม่คว้าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปเฉยๆยากวายยากอยั ง, อยงไม่เหมือไม่เวินต้องดูต้องดูงดนยถอดกายออกมาดูดินน้ำลงไฟออกมาดูอย่างนี้ถ้าไม่ได้ถอดก็ให้ถอดเดี๋ยวนี้ เอาดินออกมาดูเลี้ยวหาคนอาการยี่สิบเอ็ดที่ค้นแข็งอยู่ในกายในยี่สิบเอ็ดอย่างนี้เรียกว่าดินธาตุดินหาคนอยู่ในดินมีไหมอยู่ในธาตุดินมีมีไหมมันเขาเอาไปเผาไปมันมีคนอยู่ในแน่นไหมมันลุกขึ้นเป็นไหม หาวิธีการแก้ความโง่ความหลงอี่ยวของนั่นละ่ะ <c oughs> ไม่ได้แก้อันอื่นหรอกจิตหลงก็เอาจิตแก่เอาจิตแก่จิตเอาจิตอธิบายให้จิตฟังจิตจะได้ฉลาดมีสติปัญญาขึ้นนะหายหลงหายโง่ได้ เอาน้ำออกมาน้ำสิบสองอย่างที่เราสวดอยู่ในธรรมวัดเนะี่ยออกมาเอาลมออกมาลมหายใจนี่แหละมันเห็นชัดอยู่ลมหายใจเป็นเราเราเป็นลมหายใจหรือลมหายใจมีอยู่ในเราเรามีในลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจออกมามันก็หายไปลมหายเมื่อมันออกเกือบพรอมมามันก็หายไปเท่านั้น ไม่มีไม่มีตัวตน ส, สัตว์บุคคลหายไปละลายไปในอากาศมีเหลือแต่ใจยึงเรียกว่าลมหายใจลมหายใจเหลืออยู่เหลือแต่ใจต่อไปลมใหม่ก็เข้าไปอีกในลมว่าไม่มีสัตว์ไม่มีคนตัวตวนอยู่ในนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงในไฟความอบอุ่นในกายของเราเนี่ย เนียว่าไฟเรียกว่าความร้อนความร้อนแฝงอยู่ในกายนี่มันมีสัตว์มีบุคคลอยู่ในนั่นจริงๆหรือมันมีสัตว์มีบุคคลอยู่ตรงนั้นจริงจริงหรือถามหาสัตว์ไม่มีถ้าไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอีกยังไม่เห็นอีก ย่อยลงอีกเมื่อกี้นี่ย่อยแบ่งออกมาเป็นสี่อย่างโดนดินน้ำลงไปนะเต่อไปก็ย่อยสลายลงไปอีกเป็นอาการสามสิบสองนั่นนะเอาอาการสามสิบสองถอดมาเรียงกันไว้เป็นแถวนี่ นี่ผมนี่คนนี่เล็บนี่ฟันนี่หนังนี่เนื้อนี่เอ็นนี่กระดูกกองกันไว้เรียงไปเอาคําถามสี่คำถามถามผมเป็นคนหรือคนเป็นผมหรือผมมีในคนคนมีในผมหรือในคนอยู่ในในผมในคนนี่ก็เหมือนกัน ในเล็บในฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันหนังเป็นเราหรือเราเป็นหนังหรือหนังมีอยู่ในเราหรือเรามีอยู่ในหนังหรือถามเนี่ยของตอบเียวของอยู่เนี่เรียกว่าจิตหลงเอาจิตแก่จิตอธิบายให้จิตฟังจิตตอบจิตถามจิตตอบกันอยู่อย่างนี้จนหายโงกหายหลงถามแล้วถามเล่าถามอีกอยู่อย่างนั้น เป็นมันหายโง่หายลงจนเป็นสัมมาทิฏฐิถามแล้วก็เ อ, ออกเอาน้ําออกมาเอาน้ําเลือดออกมากองไว้ใส่ถ้วยใส่ถาดเอาไว้เอาน้ําหนองออกมาเอาน้ําลายออกมาเอาน้ําเสลดออกมาถามจนมันรู้แจ้งแทงตลอดมนะัน ว่าไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นก็ไม่ยอมเอามาห่อกันเอาหนังเอามารวมกันเข้ากันก้อนอีกเอาหนังมาห่อเอาไว้หนังมาห่อเอาไว้เอามาหุมเอาไว้เป็นก้อนสกุลกายก้อนสกุลกายนี้หรือเป็นสัตว์ ก้อนสกปรกายนี่หรือเป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ถ้าเวลาแยกออกไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นเวลามารวมกันทำไมถึงมามีสัตว์มีคนมีเรามีเขาขึ้นมาเราอยู่ไหนเขาอยู่ไหนหาอยู่อย่างนี้ นมนั้นหายหลงเออเรานี่ยใครใครพาเรียกว่าเราใครพาเรียกว่าเราสัตว์ใครพาเรียกว่าสัตว์คนใครพาเรียกว่าคนบุคคลเนี่ตัวตนใครพาเรียกว่าตัวตว่าตนว่าเราว่าเขาอืมถามหาที่เขาเรียกมาตั้งแต่ก่อนนั้นก่อนสกลกาย รวมกันเป็นก้อนขึ้นมาเรียกว่าสกุลกายสกลแปลว่าทั่วไปก้อนทั่วไปดินก็ไม่มีเจ้าของเป็นของทั่วไปน้ำก็ไม่มีเจ้าของลมไฟไม่มีเจ้าของจึงเรียกว่าสกุลกายถ้าเขาถอดออกไปทิ้งมันก็ละลายไปสู่ธาตุเดิมของมัน ไม่มีไม่มีเราอยู่ในนั้นเราพ่อมาสมมติขึ้นที่หลังว่าก้อนสกุลกายนี่แหละคือเราเป็นก้อนสมมุติเฉยๆสมมุติว่าสัตว์สมมุติว่าคนสมมุติว่าเรามาสมมุติขึ้นที่หลังนอกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นก้อนสกุลกายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นกายเป็นสัตว์เป็นคนดอก มีแต่สมมุตินี่แหละมาตั้งบัญญัติสมมุติขึ้นให้เขาบัญญัติแปลว่าตั้งขึ้นตั้งอะไรตั้งชื่อสมมติขึ้นว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลเราก็าไปถือเอาสมมุติเป็นจริงเป็นจังอย่อยางนังยังไม่เห็นมีมุดสมมุติมันปิดบงังท่านเรียกว่าโลกบงังธรรมอารมณ์บงังจิต สมุดบังมีมุดขันหาวังบังพะนิ์ผ่านถ้าเพิกโลกออกจากธรรมเพิกอารมณ์ออกจา ก, กจิตได้จิตก็ว่างเหมือนกับเข้าสมาธินี่นนะผ่องใสสว่างสวัยเป็นพุทโธเป็นธรมโมอยู่อย่างนั้นนะถ้าเอากิเลสออกหมดใจ ก็จะว่างเป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติอยู่ <c oughs> นั้นที่นี่มันหลงหลงกายก็ถอดกายดูอยู่อย่างนี้นะจนละความเห็นผิดมิดชัดทิ่ฐิได้สัมมาทิฏฐิยังจะเกิดขึ้นว่ากายนั่นแหละสัจจะว่ากาย ดินน้ำลงไฟมาประชุมกันขึ้นก็ตั้งสมมุติว่ากายเฉยๆไม่มีสัตว์มีคนโตตนอยู่ในนั่นจริงๆจึงจะเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่เวทนาก็เหมือนกันสัตว์ตวเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา สัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่นั่นจึงเห็นว่าขันห้าบ้างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขันห้าเป็นขันว่างคือว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นขันเปล่าเปล่าคือไม่มีสลายเกินซานนะ <c oughs> เมื่อมันสลายตัวลงแล้วนะ เป็นดินธาตุดินก็ไปเป็นดินธาตุน้าก็ไปเป็นน้าธาตุลมธาตุไฟก็ไปสู่ธาตุเดิมของเขาจึงเมื่อมันเสื่อมสลายแล้วไม่มีแก่นสารพึ่งพาอาศัยไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าขันเปล่าขันเปล่าขันว่างขันเปล่านี่นนสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วเมื่อเห็นอย่างนี้จึงเรียกว่า ละสักยทิฏฐิละสักยะทิฏฐิได้วิกิกิจชาสิลพัทผลามาดก็เป็นธรรมหมวดเดียวกันถ้าละสักยะทิฏฐิได้สองหมวดนั้นก็ดับลงความสงสัยโลเลวิกิกิจชาคือความโลเลสงสัยเปรียบเสมือนทางสองแผ่นสามแผ่นถ้าเราเดินไปเจอทางสามแยกสองแยกสามแยก เราก็สงสัยว่าจะไปทางนั้นถูกไหมทางนี้ถูกไหมมีกี่กิจฉาก็คือความโลเลสงสัยอย่างนี้ยกตัวอย่างมาเปรียบเสมือนทางสองแผงสามแผงก็แดดับไปความโลเลสงสัยว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีอยู่ในขันห้าก็ดับไปนะดับไปศีลพัดปรมาท ความประยึดไปถือว่าอันนั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้ดีอันนี้นนความงมงายนะการประพฤติวัดต่างๆการรักษาศีลไม่ต้องไปรักษาที่อื่นพระเจ้าน้อยไม่มีดอกไปกาบต้นไม้ภูเขาโลกาไม่มีแล้วพุทโทธธรรมโมสังโฆมีอยู่ในใจเรานี่การประพฤติปฏิบัติจึง ปฏิบัติลงที่กายเจ้าของเท่านี้ไม่ต้องไปปฏิบัติที่อื่นอีกที่กายที่ว่ายา้าที่ใจเท่านี้จึงาาศีลพัดปรมาตเห็นว่านั้นดีอันนี้อันนั้นอันนี้มันเห็นความเห็นผิดดับลงนะ ไม่มม ง, งายไปปฏิบัติไปกราบไปไหว้ที่อื่นไปนับถือที่อื่นปฏิบัติที่อื่นไม่หลงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจของเราเท่านี้ความหลงหายละพวกนี้ลง <c oughs> การปฏิบัติ ทำก็ปฏิบัติกายกับใจเท่านั้นวาจาจใจเท่านี้การประพฤติวัดกันปฏิบัติธรรมรมทั้งหลายยนย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจไม่ปฏิบัติที่อื่นอีกทำสามหมวด น, นี่ก็ละได้ละสักยทิฏฐิวิกิวิชาศิรพัตปรมาทได้เราก็ได้เป็นพระโสดา พัสดาบันนะสดาบันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นละอยู่ที่อื่นละขันหานี่แหละดับขันห้ารว่วขันห้าว่างจากเจ้าของว่างจากสัตว์บุคคลเมื่อขันห้าเกิดดับ เราจึงจะไม่ไปอุปทานเอาขันห้าแต่ก่อนเราหลงว่าขันห้าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อขันห้าเกิดดับเราจึงไปอุปทานเอาขันห้าเมื่อตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงเราจึงสำคัญตนว่าเราเห็นว่าเราได้ยินเมื่อ เราเขาสัตบุคคลไม่มีอยู่ในนี้เราจึงจะดับขันห้าได้อนนี่แหละสัมมาทิฐิความเห็นถูกต้องถูกเกิดขึ้นเห็นว่าขันห้าว่างจากสัตบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยขันห้าไม่มีเจ้าของอขันก็เป็นขันล้วน คำว่ารุ่นรนคือมันมีไม่มีเจ้าของขันห้าน่ะ น, นะน่ะนี่เราหลงว่ามันมีเจ้าของอยู่แต่ก่อนเราจึงเมื่อตายเห็นลูกู้ได้ยินเสียงบอกซ้ำขาันตนว่าเรามีอยู่ในนั่นก็เลยไปอุปทานเอานี่ขั้นตนนะละละ สักกายทิฐิได้เคยไปเทศอยู่บ้านแบกอำเภอเชียงยืนเขานิมนไปงานงานเขางานฉลองพัดยศของพระครูพระครูดนมามีคนมาฟังลายเทศเรื่องละสักกายทิฐินี่แหละมีมหาองค์หนึ่งเรียนจบประโยชน์หก ว่าเตุจบเขาก็ถามโอ้ถ้าละขันห้าได้ก็เป็นพระอรหันต์ที่ว่างันนะเอาอืมสกายะทิถีละทิถีละความเห็นผิดเฉยๆละความเห็นผิดเฉยๆ ว่าเห็นขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห่ามีตนตนมีในขันห้าเฉยๆละความเห็นผิดยังเห็นละเอียดอยู่อ่ะยังเห็นว่าใจนี่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาอีกมันยังไม่ถึงขั้นนั้นต้องไปละใจอีกสักก่อนใจนี่แหละเป็นผู้รู้ใจนี่แหละเป็นผู้หลง ใจนี่เลยเป็นเรานะต้องเอาเราออกจากใจให้ได้เช่นก่อนมาหาว่าเราหลงกายเบื้องต้นหลงกายเบื้องปลายหลงใจทีนี้มันละสักยะทิฏฐิก็หลงขันห่าละความเห็นเฉยๆนะละความเห็นผิดเฉย แต่ความเห็นผิดตื้นตนอันนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีลึกกว่านี้ความเห็นว่าใจเนี่ยเป็นสัต์เป็นบุคคลยังมีอยู่อีกดับใจลงน ะ, ะเมื่อกายมันกระทบเข้าไปมันก็ไปบอกใจใจก็เกิดนี่แหละใจเกิดพบหนึ่งชาติหนึ่งมันไม่ได้ ตาเห็นลูกใจก็เกิดใจมันเกิดได้ยังไงใจก็เกิดได้โดยอาศัยนี่แหละอาศัยกายนี่แหละคือตานี่แหละคือหูนี่แหละกระทบกับอวัยวะภายนอกใจก็เกิดเกิดเวทนา สัญญาสังขารเกิดขึ้นมานีแต่ใจเกิดใจเกิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับใจมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดเวทนาเกิดรักเกิดชังขึ้นมาเี่นะเกิดสุขเวทนา ขคเวทนาอุเบกขาเวทนานี่แหละมีลใจเกิดใจเกิดก็ต้องอาศัยตากับรูปกระทบกันหูกับเสียงกระทบกันใจจึงจะเกิดขึ้นได้นะใจก็เกิดขึ้นยังไปคาใจอยู่ต้องดับใจท่าน พระพุทองค์จึงให้วางใจเสียอย่าเอือกเพื่ออะไรในใจตนใจเนี่ยมันเป็นไม่เป็นของของใครหรอกถ้าใจเป็นของคนนั้นคนนี้คนที่ตายไปเขาก็เอาใจไปหมดคนมาเกิดทีหลังจะเอาใจไหนมาเกิดให้พิจารณาดูให้ดี การที่จะวางดับใจนี่มันดับยากที่สุดนะดับยากที่สุดถ้าผู้ใดดับได้แล้วก็ง่ายที่สุดเหมือนเราท่องหนังสือนั่นแหละระยะที่ท่องอยู่ก็ยากระยะถ้าท่องได้แล้วมันก็ง่ายและระยะที่เราฝึกหัดปฏิบัติเพื่อจะดับนั้นมันยาก แต่เวลาดับได้แล้วมันก็ง่ายง่ายหมดแล้ะอะไรก็ง่ายหมดเละดับกายกับใจได้ก็ดับขันห้าได้ขันห้ายิงอาศัยกันเกิดกายกับใจยิงอาศัยกันเกิดที่เราสวดอยู่อนิจจาวัฏสั่งฆาลานะ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอสังขานทั้งหลายก็คืออะไรสังขารภายนอกคือนอกตัวเราสังขารภายในก็คือตัวเรานี่แหละคือขั้นห้าเนี่ยแหละสังขารขันขันห้ามาปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขารขัน สังขารทั้งหลายัสังขารภายนอกคือนอกตัวเราสังขารภายในคือตัวของเรามันไม่เที่ยงขันห่านี้มันไม่เทียเยเท่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอ ย, อย่างนี้ให้เราเห็นตามความเป็นจริงนี่นะมันไม่มี ถ้ารู้จั ก, จกขันห้าแล้วดับขันห้าได้ไม่ต้องฟังอีกก็ได้ถ้าดับกายดับใจได้แล้วฟังไปก็ฟังหนวกหูเบื่อฟังถ้าขันห้าเกิดดับกายกับใจแล้วคือขันห้าเราไม่กำหนัดขัดเคืองในขันห้าดับโลกดับอารมณ์ดับขันห้าได้ ฟังไปก็เบื่อหูเฉยๆถ้าดับไม่ได้ก็ต้องฟังต่อไปอีกเพื่อจะค้นคิดหาวิธีดับขันห้ามันจะเกิดอีกขันห้าเกิดก็อาศัยอายตนาภายนอกภายในอายตนาภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสบวทเพระธรรมลม อายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกภายในกระทบกันนั่นแหละที่เราสวดอยู่นั้นนขันห้าอายตนะสิบสองภายนอกหกภายในหกธาตุสิบแปด 18, อินทรีย์ี่สิบสองอริยะสัจสีปฏิจิจสมบัต พวกนี้เป็นวิปัสนาวิปัสนาภูมิภูมิแห่งความรู้แจ้งภูมิแห่งความรู้แจ้งซึ่งขันห้าอายตนะก็คือขันห้านั่นแหละอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายก็ สงคอเข้าเป็นลูกนะัใจก็สงคอเข้าเป็นน้ำก็ลูกกับน้ําก็คือขั้นห้าขึ้เก้านั่นละธาตุสิบแปดก็เหมือนกันจากขู่ธาตุลูกธาตุจากขูวิญญาณธาตุก็คือขั้นห้านั่นละจากขูก็คือลูกภายใน อยูปภายในจักคูวิญญาณก็คือนม้มรูปกับน้มก็คือขั้นห้าคืเขาธาตุสิบแปดก็คือขั้นห้าอินทรีย์ี่สิบสองก็คือขั้นห้าอริยสัจสีก็คือขั้นห้าเกิดดับมันเป็นทุกข์ทุกข์คือ ขันห้ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอริยรสัจจริงอยู่อย่างนี้เรียกว่าทุบคืออริยรสัจจริงสมุทยัยถ้าใครไม่รู้ว่าขันห้าเกิดดับไม่รู้ว่าหลงว่าขันห้ามีสัตว์บุคคลอย่าก็มาอุปทานเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเราเห็นหลูกว่าเราได้ยินเสียง เราได้กินนเราได้ลดอยู่นั้นคืออุปทานขั้นห้าว่าโดยย่ออุปทานขั้นห่านั่นแหละคือทุกขั้นห้าเกิดดับเราไม่รู้ว่าจะกขั้นหน้ามันเกิดเองดับเองมันเป็นเองหรืออย่างนั้นเราดับขั้นห้าไม่ได้วางขั้นห้าไม่เป็นเราจึงมาอุปทานเราขั้นห้าก็ทุกข์ถ้าเรารู้ว่าขั้นห้าเกิดกับดับพร้อมกัน ไม่มีสัตว์บุคคลตัวโ ต, วตวอยู่เราก็ดับขั้นห้าเรียกว่านีโน่โลดนี่โลดนี่สติปัญญาที่มารู้เท่าว่าขั้นห้าเป็นยังไงอย่างนี้ก็คือมัดได้แก่ศีสมาธิปัญญานี่หละอญญายะสัต ส, สีก็คือขั้นห้านั่นแหละปเกิดทุกสมุทยัยขั้นห้าเกิด ไฟดับนี้โหลดมักดับขันห่างดับด้วยมักนี่นหละปัญญาจิตสมาธิปัญญาไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละมรรคผลนิพพานก็อยู่นี่แหละปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันที่เราสวดไปเมื่อกี้เนี่ยอวิชาปเจสั่งขาลานะ เพราะความหลงเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดบิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดสลายตนะทำให้เกิดรูปนามรูปเพราะนามรูปมีสลายยตนะจึงมีจึงเกิดขึ้นเพราะ สลายยตนามีจึงมีผัสสะเพราะผัสสะมีจึงมีเวทนาเวทนามีจึงมีตัณหานั่นตัณหามีมันก็เกิดจากขันห้าอย่างเดียวปัจจัยการการที่ขันห้ายิงอาศัยกันเกิดการที่ลูกกบนามยิงอาศัยกันเกิดเรียกว่ากระแสปัจจัยการ ไม่มีอะไรตลอดวันลูกกับน้มยิงอาัซกันเกิดอยู่นี่เป็นสันตติสืบเนื่องกันอยู่คันหาเกิดดับอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปมีแต่ทุกเกิดขึ้นมีแต่ทุกตั้งอยู่มีแต่ทุกดับไปเราไม่รู้จักทุกเราก็เลยไปแบกเอาทุกแบกเอาโรคแบกเอาอารมณ์แบกเอาคันหา่า นั่นละบางวัดเขาเขียนเขาปั่นเป็นรูปเอาไว้คนแบกโลกคนแบกโลกเขาอุปมาอมุปไมเขียนโลกใบบักใหญ่แล้วคนไปแบกโลกเรียกว่าคนก็คือจิตคือใจนั่นแหละ คนไปแบกเอาโลกไปอุปทานเอาโลกแบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์แบกเอาขันหานั่นนะอะเขาไม่รู้จักว่าขันหา้าทําไมเขาไม่วางพราะเขาวางไม่เป็นเขาก็เลยแบกอยู่งั้นนะทําไมเขาไม่วางพระเจ้าข่านก็เพราะเขาวางไม่เป็นก็เขาไม่รู้จักวาง เพร า, เาวางไม่เป็นวางขันห้าวางไม่เป็นไม่รู้ว่าขันห้านั่นแหละปจิจสมุปบาทวิปัสนาภูมิหกอย่างนี้ก็สงเคราะห์เขาเรียกว่าขันห้าเป็นอันเดียวกันหมดถ้าดูแจ้งซึ่งขันห้าก็รู้แจ้งซึ่งอ 12, าิยสัจสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยสัจสี่และปฏิจสมุปบาท มันเป็นอันเดียวกันท่านจึงเรียก ว, ว่าวิปัสนาภูมหกรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็บรรลุก็บรร ล, ลุเป็นพระอริยบุคคลได้ภูมิทั้งหกภูมิสติปัญญาภูมิเปวว่าภูมิจิตภูมิใจภูมิสติปัญญาเรียกว่าวิปัสนาภูมิ นิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งภูมิสติปัญญามารู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งขันห้นาอายตนะสิบสองถาดสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่านิปัสสนาภูมิให้พากันสวดแล้วก็เข้าใจ แต่ก่อนก็ไม่เข้าใจหรอกพอมาสวดบ่อยๆครั้งก็เกิดสติปัญญาลูกขึ้นอ๋อมีปััชนาก็แปลว่ารูกแก้แจงภูมิก็คือภูมิกิจภูมิใจภูมิสติปัญญามาลูแจงอะไรลูกแจงขันห้ารู้แจงอเยตนาสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองเนี่ยอริยะัศร ปฏิจจสมุปบาทดูแจ้งอันใดอันหนึ่งก็ตัดสู้ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นอนุพุทธะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราเป็นผู้รูก้ก่อนเห็นก่อนท่านจึงตัดเอาไว้แล้วก็ดำเนินเดินตามรอยของพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า เดินทางตามผูดยาวเดินไปเดินมาก็ไปสุดสุดคั้นห้าจบคั้นห้านะเรียนจบคั้นห้าเรียนจบธาตุจบขั้นก็ดับขั้นห้าได้ดับขั้นห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพานมันก็มีแค่นั้นไม่มีอะไร เอาตั้งใจภาวนาต่อให้มันจบเวลาได้มาแล้วได้มาแล้วอย่าให้ปล่อยเวลาเวลาเราจริงๆริงก็แค่ลบให้ใจเขาออกขณนะเวลาของเราจริงๆงนอกจากนั้นก็มีมืดกับแสงมืดกับสว่าง เวลาของเราจริงๆมีแครลมหายใจเข้าออกให้พิจารณาดูดีๆถ้าลมไม่เข้าลมไม่ออกเราก็ตายเวลาของเรามีอยู่แค่นั้นถ้าไม่มีลมหายใจก็หมดเวลานะเอาตั้งใจดู ล, ม ห, ล, ม, หหลมหายใจจับเอาลมหายใจให้ลมหายใจไม่มี จิตจึงจะลงดิ่งลงถึงอันอนปนาชาติอปนาสมาธิเอาตั้งใจเอาทีนี่ย